ในนิวรณ์บัพพาที่เราเรียนไปเนี่ยนะเห็นโทษของตันหาขึ้นไหมมุชูเห็นโทษของตันหาไหมก็บอกว่าจําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึ่งนะถ้าเรียนนิวรณ์บัพพาบอกว่าทุกทั้งมวลที่เรารู้อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเกิดจากตันหาเนี่ยนะทุกทั้งมวลเนี่ยนะหรือเอางี้ก็ได้อุปาทานขันทั้งหมดที่เห็นเอยู่เนี่ยเกิดจากตันหาทั้งหมดเลยตันหาสามใช่ไหมครับตันหาสเนี่ยนะ ขันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นขันกระจิตรติดตัวน้อยๆเนี่ยนะจนถึงขันที่มันใหญ่ขนาดไหนก็ช่างแต่ขอให้รู้ว่านั่นเป็นผลของตันหาเนี่ยนะเป็นผลของการมาฉันทะนิวรณ์ทีนี้ถ้ายังตัดฉันกามมาฉันทะนิวรณ์ในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไอฉันทะนิวรณ์ที่มีอยู่นี่แหละจะสร้างขันห้าอันต่อไปเนี่ยนะจะสร้างทุกอันต่อไป ถ้าจะกล่าวในายเหน่งก็บอกว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกที่เห็นเห็นอยู่รับรู้ทั้งหมดละสิ่งเหล่านี้เกิดจากตัณหาอันนี้ถ้ากล่าวไกลหน่อยถ้ากล่าวใกล้อีกหน่อยเนี่นะชีวิตทั้งหลายที่เห็นเห็นอยู่นี้เกิดจากอะไรมาจากชาติใช่ไหมชาติก็มาจากกรรมกรรมก็มาจากตัณหาอุปาทานนั่นแหละก็ชีวิตก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษของตันหาคําพูดใดที่เป็นไปเพื่อละตัญหาคําพูดนั้นเป็นคําชั่วของคนนั้นเลยผู้ใดที่ยังยินดีการมาสุขลิกานุโยคข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อกาจัดการมาสุขลิกานุโยกคนนั้นจะรังเกียจเนี่ยนะเนี่ยนะจะตรงกันข้ามเลยฉะนั้นคาสอนใดที่เป็นไปเพื่อกาจัดการมาฉันทะ คนที่ยินดีเพลิดเพลินในการมาฉันทะเขาจะรังเกียจเขาจะรังเกียจคําสอนนั้นเนี่ยนะอันนี้ในเนปติปกรก็แสดงไว้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งที่อื่นก็แสดงว่าถ้าผู้ใดเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะถ้าฟังคําสอนที่เป็นสัมมาทิฐิก็ปฏิเสธเพราะเขาเป็นมิจฉาทิฐินะในจัตตารีสกะสูตรก็แสดงไว้อันย้อนมาที่เรื่องตันหาเนี่ยตัวที่สําคัญมากที่สุดก็คือการ เห็นโทษของตันหาถ้าไม่เห็นโทษของตันหาจากละตันหาไหมาอันนี้ไม่ละอย่างแน่นอนทีนี้การเห็นโทษของตันหาเนี่ยนะใครมีอุบาเด็ ด, ด, ดจะเห็นโทษของตันหาได้ยังไงเห็นไหมคุณมุญชู ม, มีวิธียังไงที่จะให้เห็นโทษของตันหาบ้างก็มองให้เห็นให้เห็นอัยศีนี่เป็นเป็นผลของตันหา เพราะนันทิเกิดทุกเกิดนะปุณนะอย่างนี้นเลยอย่านี้เลยนะเนี่ยเพราะตันหาเกิดเนี่ยนะอบายสี่มันจึงเกิดทละตันหาได้สัตว์ในอบายไม่มีรอเห่างนกันนะท <c oughs> ลปฏิสูตรเป็นการนะนะพูดถึงเรกว่าความเป็นไปของคนพ่านอย่างบริบูรณ์นะกับความเป็นไปของบัณฑิตอย่างบริบูรณ์บางคนก็บอกแม่ต้องมาหาทุกขขัขนทูตรเนี่จึงจะเห็นชัดเลยนะ การมีอะไรจะเด็ดๆที่จะให้เห็นโทษของตัณหาไหยถ้าไม่เห็นโทษมันละไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดจะละด้วยนะถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีโทษนะก็ไม่คิดจะละในเดียวกันส่งเสริมอย่างเดียวเห็นไหมส่งเสริมให้คนมีโลภะให้มากๆผมรู้สึกว่าเป็นธรรมะ ท, ที่ที่เห็นยากที่สุดเห็นว่ามีโทษยากที่สุดเห็นว่ามีโทษเนี่ยเห็นยากที่ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอ่ะ มักจะไปเป็นมิตรอยู่เรื่อยครับอล้วจะไปเป็นมิตรมันอยู่เรื่อยทุติโยนะทุติโยนสัตว์ทั้งหลายมีตัณหาเนี่ยนะเป็นที่สองเหมือนกันเถอะเป็นเพื่อนสองอ่ะนะทุติโยก็คือเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในวะะัฏฏะเนี่ยนะมาสู่ความเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไปสู่ความเป็นอย่างอื่นด้วยคงจะเราคงจะไปโยนิโสหรือว่าตรึกมันน้อยมากเลยตรึกมันน้อย พอตรึกน้อยก็เลยเห็นโทษน้อยแต่ว่าพยาบาทนี่เห็นชัดเจนครับอันนี้เป็นทุกข์กษัตริย์อยู่แล้วใครเป็นทุกข์กษัตริย์อยู่แล้วไปการมาฉันทานะเป็นสมุทัยสัตว์พยาบาทเป็นตรงๆและเป็นทุกข์กษัตริย์เนี่ยนะทีนี้อผลเนี่ยใครไม่ต้องการนะต้องการเหตุอย่างเดียวเหตุนี่ไม่ก็เห็นเห็นแต่เห็นแต่ผลว่ามันมีโทษเนี่ยนะก็ถ้า บางคนก็ถ้าละลึกถึงธรรมุทเทศสีประการเนี่ยนะอาจจะเห็นโทษของตันหาอยู่บ้างก็ได้ที่พระองค์ตรัสว่าโลกนี้เนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตันหาเนี่ยนะอันนั้นพูดถึงความอร็จ อ, อร่อยที่เป็นผลของตันหาแต่ว่าไอความ โลกเนี่ยโดยปกติจริงๆก็พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาไม่มีใครอิ่มที่จะเห็นใช่มมีคนอิ่มไหมที่จะเห็นอิ่มไหมที่จะได้ยินอิ่มไหมที่จะรู้กลิ่นอิ่มไหมที่จะรู้รสอิ่มไหมในการรับกระทบแล้วก็อิ่มไหมที่จะคิดนะไม่อิ่มมันพร่องทุกทวารเลยนะตันหาเนี่ยมันจะไหลทางทวารหกใช่หมไหมาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เพราะฉะนั้นในทวารหกไม่มีเต็มทักทวารเลยนะถอมไปเหอะดูดูไปเหอะเดี๋ยวจะเบื่อเองเพราะนั้นเขามีลัทธิบางอย่างนะลัทธิสมัยพุทธกาลก็มีอยู่บางลัทธิเขาบอกว่าสิ่งไหนที่ดูแล้วผ่านไปไปดูในสิ่งที่ยังไม่เคยดูไปเที่ยวดูให้มากๆสิ่งไหนที่เคยฟังแล้วให้ผ่านไปไปเที่ยวได้ยินไปเที่ยวฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังอนะ มันเป็นลัทธิที่ส่งเสริมตันหาโดยตรงเลยนะทวารทั้งหกด้วยนะก็จะเป็นข้อปฏิบัติของเขาประจําศาสนาของเขามีลัทธิชนิดนี้มีอยู่นะนะจะต้องไปเห็นไปได้ยินไปฟังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นลัทธิที่ส่งเสริมตันหาตรงๆเลยนะนะเพราะในในโลกเนี่ยนะถ้าไม่มีพระตถ า, าคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ว่านี้โลกนี้ความเกิดขึ้นแห่งโลก นี้ความดับแห่งโลกนี้ข้อปฏิบัติเพื่อความดับโลกถ้าพระองค์ไม่เกิดขึ้นหมูซาทั้งหลายก็เพลิดเพลินในตันหาแล้วก็ส่งเสริมกันด้วยนะถ้าเขาไม่มีตันหาอีกทางหนึ่งก็เป็นทุกข์และจะต้องทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดตันหาให้ได้เมื่อเกิดตันหาทั้งสองฝ่ายก็มีความสุขกันหมดเลยนะั้นกิจกรรมบันเทิงทั้งหลายแหละก็บังเกิดขึ้นก็ส่งเสริมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยเกิดตันหา แต่ถ้าเกิดโทมนัดแล้วก็สัตว์ก็ไม่มีความสุขก็ไปส่งเสริมให้มันมีตัญหาเนี่ยนะแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมให้มีตัญหาเนี่ยมากขึ้นเพลดิดเพลินมากขึ้ น, น, นแต่ที่<า>เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขารังเกียจทุกเนี่ยนะเขารังเกียจทุกแต่รังเกียจทุกด้วยการสร้างเหตุแห่งทุกขเนี่ยนะรังเกียจทุกด้วยการสรรหาเหตุแห่งทุกเนี่ยนในบรรดาตัญหาหกนี่นะครับธรรมตัญหานี่ ยิ่งละเอียดและยิ่งยากผมผมเข้าใจไปกันนะฮะยังยากที่จะจะจะไปไม่เห็นโทษของมันนะฮะ<ม>เราจะเราจะติดด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ติดในรูปปัตนหาอาจจะน้อยนะฮะแต่ว่าทำปมตันหานี่ไม่ไม่เบานะไม่เบาครับเราเห็นยากมากตามเนติ ป, ปกรณ์ท่านแบ่งว่าอายตนะที่เป็นรูปสิบเนี่ยนะ ตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพทภาพเป็นวัตถุแห่งตันหาส่วนทวารใจเนี่ยเป็นวัตถุแห่งอวิชชานี่นะคือเป็นที่ตั้งของความไม่รู้นี่นะเป็นที่ตั้งของทิฏฐินี่นะโดยเฉพาะทวารใจเนี่นะเป็นที่ตั้งของทิฏฐิแต่ว่าอายตนะทั้ง1ิบที่เหลือเนี่ยเป็นที่ตั้งของตันหา ตันหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติทั่วๆไปแล้วก็สาสตร์ทั้งหลายก็ถ้าตันหาวันไหนตันหาไม่ค่อยเกิดเลยนะความเพลิดเพลินไม่ค่อยเกิดนี่ก็ทุกนะที่มาหรือเขาพูดว่านะคนมีโคก็ย่อมมีความสุขเพราะโคนะหรือมีความเพลิดเพลินเพราะโคคนมีบุตรก็เพลิดเพลินเพราะบุตรเพราะฉะนั้นถ้ามีทรัพย์ก็เพลิดเพลินในในทรัพย์เนี่ยนะ ันยในความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นของดีมืนกันแถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะเพลิดเพลินได้ยังไงเนี่ยนะหลังจากนั้นก็ส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าโลภะเนี่ยตลอดแต่ท้องคําสอนเนี่ยกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คือเหตุแห่งวัฏฏทุกข์นะเหตุแห่งสังสารทุกเนี่ยนะซึ่งคําว่าตัณหาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างกันไหมตัณหาอย่างหนึ่งเรียกว่าตัณหาที่เป็นมูลแห่งวัตะหรือวัตมูลเนี่ยนะ ที่เป็นมูลแห่งวัตตะเป็นมูลแห่งเวียนว่ายตายเกิดพูดง่ายๆก็คือรูปปัตนหาเป็นมูลให้มีมีตาเนี่ยนะสัทตันหาเป็นมูลให้มีโอขันทัตันหาเป็นมูลให้มีจมูกรัศตันหาเป็นมูลให้มีลิ้นโพธาพะตันหาเป็นมูลให้มีกายนะธรรมะตันหาก็เป็นมูลให้มีใจอันนี้เรียกว่าตันหาที่มีวตตะเป็นเป็นมูลหรือเป็นมูลของวตตะก็เป็นอย่างไง นี่ทั้งโลราว่าเป็นของดีแต่ทงโลุตรเป็นเป็นของไม่มดีการเล่นดนตรีเขาบอกว่าเสียงร้องไห้นะถ้าถ้าสัมโนสายตาภารยะก็คือเสียงร้องไห้เพราะอะไรนั่นคือเหตุของการร้องไห้จริงๆเนี่ยตอนที่ที่ที่เราอยู่กับโลกของดนตรีเนี่ยนะเรานึกว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่านั่นนะ่ะคือสาเหตุแห่งการร้องไห้ ถ้าถ้าเรารู้ว่าแม้กระทั่งโลกของนักสร้างดนตรีเองอะนะก็ไม่รู้ว่าร้องให้มากี่น้ำแล้วกว่าจะมาเป็นดนตรีอันนั้นขึ้นมาได้อะนะแล้วก็คนที่ฟังดนตรีทั้งหลายเนี่ยนะขณะที่มีความสุขนี่เป็นเวทนาอะไรสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าโสมนัสหมดไปแล้วอะไรจะเกิดแทนก็โทมนัสเวทนา จะลืมว่าถ้าดีใจขนาดไหนนะไอสิ่งที่ตรงกันข้ามกับดีใจนั่นแหละมันจะมาเท่านั้นวัตถุใดที่ก่อให้เกิดความดีใจอย่างสุดซึ้งวัตถุนั้นก่อให้เกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้งเหมือนกันพระเจ้าตอนจปะประนิพิเทวดาก็มาประคมดวตรีเขาก็ทำเขาก็ทำบุญของเข้าไปนี่นะเขาก็ทำบุญเข้าทําพุทธบูชาของเข้าไปตรงนั้นเขาเรียกว่าสาธุกีฬาเนี่ยนะเป็นเป็นถ้อยคําที่ก่อให้เกิดความสังเวชเป็นส่วนใหญ่ และอย่างหนึ่งตันหาสำคัญเราก็ไม่ได้ไปฟังว่าเขาร้องว่ายังไงบ้างนดนตรีเ็าเล่นว่ายังไงบ้างเนี่ยนะทีนี้เราเนี่มันเล่นด้วยกิเลสเต็มที่แล้วจะเอาท่านมาเปรียบไม่ได้เนี่ยนะมาถูประสงค์มันผิดกันพูดถึงตันหา ย, ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าตันหาก็แบ่งเป็นสองคือตันหาที่เป็นมูลแห่งวะตะอย่างหนึ่งแล้วก็ตันหาที่เป็นมูลแห่งการสแสวงหาเนี่ยนะอาศัยตัหา ความต้องการเนี่ยนะทาให้เกิดการสแสวงหาสแสวงหาก็ทําให้เกิดลาบลาบแปลว่าได้นะพอพอหามันก็ได้นะในดีได้ไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งอนะแต่ว่าหาแล้วมันต้องได้ละทีนี้พอได้แล้วทําไงมาคิดดูเอ็มจะเอาอยัางไงกันแน่กับสิ่งนี้ทีนี้พอมาวินิจฉัยตัดสินว่าเอออันนี้เอาไปแบ่งทําอันนี้นะอันนี้ไปแบ่งทำอันนั้นเนฉะลี่ยละจัดการอ น, นะแบ่งเบ็ดเสร็จหมด พอแบ่งเสร็จเนี่ยนะอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของคนอื่นเนี่ยนะหรือว่าจะต้องจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ว่าไปพอจับจ่ายใช้สอยเบ็ดเสร็จที่เหลือก็รักษาพอได้ทั้งหมดมาก็รักษาทีนี้อรักษาเนี่ยมันมีอะไรที่ตัวสำคัญบ้างก็บอกว่าความชั่วร้ายทั้งหลายแหละเกิดจากการรักษาบาปอากุศลทั้งหมดก็เริ่มเกิดจากการรักษาทำไมจึงต้องรักษาเพราะคนที่ได้ก็เกิดมัชระยะ ไอคนที่ไม่ได้ก็เกิดจากไอคนไม่ได้เกิดอะไรอิจฉ า, านะก็สึกแย่งกามก็เข้ามาแลเนี่ยนะสึกแย่งกามก็เข้ามาคนได้มัจฉริยะคนไม่ได้ริสยาเพราะฉะนั้นไอที่มาของปัญหาคือการทะเลาะเบาแวงการเข็นการฆ่าโดยที่สุดพ่อแม่ก็ยังทะเลาะกันก็เกิดจากการเนี่ยริสยากับมัจฉริยะเนี่ยนะแต่ว่าทั้งหมดถ้าถอยไปก็ตันหานั่นแหละเป็น มนตัณหาเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาเกิดจากเวท น, นานะทุกข์และอุเบกขาในทวารหกเนี่ยดีใจเสียใจเฉยๆในทวารหนี่แหละสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนภาษานะภาษาก็มาจากไหนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมาจากไหนก็นามรูปนามรูปมาจากไหนปฏิสนธิวิญญาณหรือจิตนั่นแหละ จิตมาจากไหนที่มาปฏิสนที่นี้กรรมนําเกิดมาเอากรรมมาจากไหนรวมๆแล้วก็ความโง่เคล้ามาแต่การก่อนเนี่ยนะความเคล้าที่มีในก่อนนั่นแหละทีนี้ก็เลยไหลให้มาเกิดอย่างนี้พอมาเกิดแล้วก็เจริญเติบโตบริบูรณ์ด้วยอายตนะพอบริบูรณ์ด้วยอายตนะอายตนะแปลว่าบ่อใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าภาษาอายตนะบ่อเป็นที่ประชุมแห่งภาษะ เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเป็นที่ประชุมแห่งภาษพาพะภาษะเกิดก็เกิดเวทนาเพราะเวทนาก็สแสวงหาเป็นต้นนนะถ้าในมองในแง่วัตถุกรรม น, นะแต่ถ้ามองในแง่วตัตตะสงสารตัณหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งอุปาทานอุปาทานก็ทากรรมกรรมเพื่ออะไรเพื่อจะเกิดต่อไปนนะปฏิจจสมุปบาทที่มันเป็นวงกลมหรือเปล่าหมุนไปเป็นวงกลมแล้วมันขาดหรือว่าขาดท้ายเ อ, อ่อไอวงกลมนี่เราคิดเอง ท่านท่านไม่ได้ว่าท่านนะเป็นวัตถาเป็นปฏิจจสมุปบาทกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากวิบากเป็นปัจจัยแก่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนเนี่ยตั้งกับเด็กเด็กมาเนี่ยเรียกว่าชาติโตมาหน่อยเรียกชราตายเรียกมรณะแล้วคุณปรับปรับไปหาเด็กคนเดิมหรือเปล่าเด็กคนใหม่เด็กคนใหม่หมแล้วมันกลมมาหาที่เก่าหรือเปล่าไม่กลมลนะก็ก็อย่างนี้จะว่ากลมมันก็คือมันแนวเดิมอ่ะนะแต่ว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะ คือสมมุติว่าอ้าวเจริญเติบโตมาจนถึงอายุมากจุติเกิดเป็นทารกใหม่ไอ้ทารกใหม่พอสอไม่ได้พอสอเดิมเนี่ยนะนามสกุลก็ไม่นามสกุลเดิมแล้วอาจจะพบก็ไม่ใช่พบเดิมอี ก, กแล้วไปแล้วกันเนี่ยจะว่ากลมมันก็กลมจะว่าไม่กลมมันก็ไม่กลมนะ้คือกลมในงเง่้ยวะยังไงก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละแต่ว่ามันก็ไหลไปเรื่อยนะคูณไปเหอะพบสามกำเนิดสี่กติห้าวิ ญ, ญญาณทิติเจ็ดสัตต์วาดเก้า แล้วก็ที่ไม่ควรลือมอีกอย่างหนึ่งคือในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าจุติตรงนี้แล้วจะต้องมาเกิดในประเทศไทยหรือในโลกอันนี้อันเดียวไม่ใช่เนี่ยนะเพราะโลกภาษาทางธรรมะหรือหรือจักรวาลเนี่ยนะเขาเรียกว่าอนันต์จักรวาลสมมุติว่าเอาทรายทั้งเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะเชียงใหม่เนี่ยถมเต็มด้วยทรายหมดเลยแล้วเรามองไปที่ตะวันออกอยู่ทิศเดียวแล้ว หนึ่งจักรวาลนะเอาทรายเป็นหนึ่งเม็ด1จักรวาลทรายหนเม็ดนะทรายนี่หมดก่อนจักรวาลในทิศตะวันออกทิศเดียวไม่หมดเนี่ยนะมันมากขนาดนั้ น, นจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดหรือที่เรียกว่าอสงไขยหรืออนันตะมีอยู่4อย่างด้วยกัน1จักรวาลสองอากาศเนี่ยนะจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วหมู่สัตว์ที่อาศัยในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือพุทธญาณเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแล้วก็จึงไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อนะที่มาฟังทำสอนม้างหรอกจึงดูแหมเบื่อหน่ายในวัตตะนะแหมวัตตะมันไม่ดีตอนที่ฟังทำมีกถาหลังเวลาที่เหลือเพลินตลอดเลยตอนที่จะเบื่ออีกคริ้งหนึ่งก็คือตอนที่คิดถึงคําสอนอีกครั้งหนึ่งก็เบื่อเมื่อก่อนในสงสัยอยู่คำหนึ่งตันหาท่านอุปมาว่าเหมือนกับเส้นได้เนะี สงสัยมันเหมือนเส้นได้ยังไงมันก็เย็บผ้าแล้วจึงนึกออกพอเย็บผ้าแล้วจึงนึกออกคําว่าตันหาเหมือนเส้นได้นะถ้าผ้าเป็นสองชิ้นใช่ไหมล้วก็มาเย็บให้มันติดกันซะตัวที่ทําให้เย็บติดนั่นแหละอาศัยเรียกว่าได้ได้เป็นตัวที่เย็บไหมทีนี้ถามว่าอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจอะไรเพื่อให้เข้าใจว่าพอจุติแล้วอะไรมันเย็บให้ปฏิสนธิต่อไป นั่นแหละกิจของตัณหาเขาเย็บไว้หรือเวลาทํากรรมเสร็จแล้วนะทำไมมันต้องมีวิบากเมื่อเหตุอย่างนี้ทําไมต้องไปมีผลอย่างนั้นอะไรเย็บไว้ ก, กับกรรมและผลของกรรมก็ตัณหาเขาเย็บไว้ตัณหาเนี่ยเย็บไว้ในภพสู่ภพไว้ในกรรมและผลของกรรมเย็บไว้ระหว่างจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะฮะตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่เย็บเอาไว้ น, นะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะแต่เข็บบานเนี่ยนะเย็บติดนั่นมาตัง้ง สัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปแล้วจะเห็นภัยของวัตฏะบ้างก็ต่อเมื่อ น, นึกถึงคําสอนหรือใส่ใจในคําสอนที่ถึงคําสอนแต่ถ้าเวลาอื่นเนี่ยนะไม่เห็นภัยแต่มีโทสะนี่นะก็ถึงจะทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดจากสติปัญญาอะไรหรอกแต่เกิดจากไม่สมหวังเนี่นยนะไอ้ที่ที่โทสะก็เพื่อต้องการความสมหวังอันต่อไปอีกนั่นแหละแต่ที่จะเห็นภายในวัตฏะไม่มีนี่นะ ทีนี้ถ้าผู้ที่เห็นภัยในวัตตะเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความไม่หวั่นไหวเนี่ยนะไม่หวั่นไหวเมื่อตรัสรู้ธรรมะเป็นที่ไม่หวั่นไหวก็จะไม่มีใน น, นะในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองเนี่ยนะถ้าใช้คําว่าโลกโลกนี้นะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นเป็นที่สุดแห่งทุก คำว่าไม่มีในโลกนี้หมายคขาว่าไงเนี่ยน ะ, นะก็คือไม่มีในโลกนี้ก็คือไม่ได้สำคัญอายตนะภายในทั้งหว่าเป็นเป็นอัตตาเนี่ยนะเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเอางั้นก็ถือว่าเป็นของคนอื่นสิมันก็ไม่ใช่เนี่ยนะเรียกว่าไม่เห็นอัตตาในอตตายตนะภายในเลยอย่างที่สองไม่เห็นอัตตาใน โลกอื่นก็คืออายตนาภายนอกเนี่ยนะก็เรียกว่าโลกเหมือนกันใช่ไหไม่มีในโลกอื่นคืออายตนาภายนอกนะแล้วไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองอะไรคือโลกทั้งสองอันนี้โลกนี้นี้โลกอื่นไอระหว่างอ่ะก็คือผัสสะนะจักสมมุติว่าอันนี้โลกโลกนี้นะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกอื่นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมารมณ์ นะถ้าถ้าไหรระหว่างโลกหมายถึงว่าอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณแล้วก็ก่อให้เกิดภาษาและเวทนานะก็จะไม่เห็นว่าวิญญาณภาษะเวทนานั่นแหละว่าเป็นเป็นอัตตาหรือว่าเป็นของที่เนื่องด้วยอัตตานีนะนะเอาแล้วสาวไปยังไงก็สาวว่าจากขู่ก็เกิดจากปัจจัยรูปก็เกิดจากปัจจัยแล้วก็วิญญาณภาษาเวทนาเป็นต้นก็เป็นธรรมชาติที่เกิดจาก ปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นมีเที่ยงไหมนะก็ตามเห็นสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะถามว่าจะไปยึดในส่วนไหนอีกอนะก็หาที่ยึดมันจนได้หรอนะไม่ไม่ไม่ไมไมละจะอยู่อย่างนี้แหละจะเกาะเอาไว้เสมอนะคุณบุมีว่าไงนะลิงติดตั้ง ไม่ไปไหนละเนี่ยนะไม่ยึดแนวยัตนาภายในก็ยึดภายนอกไม่ยึดภายนอกก็ยึดเนีย่ยภาษาเวทนานี่แหละไม่รู้จะติดต่างนะไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่าต้องรีบต้องต้องรีบไปไหนอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> ทีนี้ไอ้ตันหาเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นโดยโดยลำพังทั่วๆไปนะพองค์บอกว่ามันทําให้ไม่รู้อัดแล้วก็ไม่เห็นทำ เพราะในเวลาที่ตันหาเพลดิดเพลินเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ไม่คํานึงถึงก็คืออริยสัจเนี่ยนะเวลาเพลดิดเพลินนี่เราคํานึงถึงอริยสัจไหมคุณ บ, บัญชูขณะที่สมหวังเลยเนะี่ยแหมไม่นึกได้อย่างใจนึกเลยเนี่ยนะนึกถึงอริยสัจไหมเออนี่สมุทยัยสัจจะเนี่ยนะไม่เอานะเพราะนั่นท่าชีวิตที่ทั่วท่วไปและสัตว์ทั้งหลายนึกถึงอริยสัจน้อยมาก บางคนก็บอกว่าทำไมเขาไม่บรรลุสักทีหนึ่งบอกแม้วันหนึ่งคิดถึงอริยสัจไม่กี่คำเนี่ยนะจะไปบรรลุอริยสัจได้ยังไงเพราะฉะนั้นการคิดถึงอริยสัจนี่ตัวที่สําคัญมากแต่ทีนี้ตันหาที่เพลิดเพลินเนี่ยนะมันทําให้ไม่คิดถึงหลักอริยสัจเห็นไหมแล้วก็เรียกว่าทําให้ไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมที่จริงอัดธรรมะก็หมายถึงถ้าพูดตั้งแต่ระดับห ย, ยาบๆทั่วๆไปก็คําสอนว่าด้วย อริยสัจก่อนถ้าลึกซึ้งลงไปก็เหตุผลแล้วก็ไม่มองเห็นถึงขนาดแทงว่าทุกขสัสนี้เป็นอัตตะใช่ั้มสมุทัยนี่เป็นธรรมะนิโรธเป็นอัตตะมรรคเป็นธรรมะขณะที่ตัณหายอมในขณะนั้นเนี่ยนะไม่เห็นไม่เห็นอริยสัจแล้วต่อไปอีกว่าขณะที่ ตัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตกำเริบหมดเลยเนี่ยนะเชื่อไหมจิตขณะนั้นเนี่ยกำเริบหมดถามว่ากำเริบจากอะไรบ้างขนาดที่ราคะเกิดเนี่ยนะเสียหายตรงไหนบ้างเลยถามอนะันนั้ศีลเนี่ยเหลือไหมสักข้อหนึ่งขณะนั้นโดยสภาวะนะีกุศลศีลเกิดบ้างไหมไ ม, ไ ม, ไม่เกิดเลยเนี่ยนะถึงจะรักษาศีลห้าศีลแปดศีลจตุปาริสุธีศีลจะรักษาศีลระดับไหนก็ช่างเถอะ ขณะที่ราคาเกิดกุศลศีลเหล่านั้นไม่เกิดแม้แต่หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นกำเริบหมดแล้วนะศีลเนี่ยกำเริบไปหมดแล้วนะสมถะสี่สิบหมวดนี่มีเหลือบ้างไหมสักหมวดหนึ่งไนนะั้นศีลสิบอสุภา10ตสิบอนุสติสิบพรหมิหารสี่อรูปฌานสี่อาหาเรปฏิกูลสัญญาจจตุธาตัววะวฐานเหลือไหมสักข้อหนึ่งกาเริบหายไปหมดแล้วนะแลวก็ วิปัสนาภูมิทั้งหลายเนี่ยมีเหลือให้มาไข่ครวนมัางไมมขันอายตนะธาตุสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทนี้ทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมักเนี่ยนะไม่เหลือเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกำเริบหมดเนี่ยนะเสียหายหมดแล้วว่างั้นเถอะคาบุญไม่มีเหลือเลยระหว่างนั้นอ้าเหลืออะไรอะ่ะก็เหลือตัณหาไงเนี่ยนะก็เหลือแต่สมุ ท, ทยัยเพราะฉะนั้นจิตนี้กาเริบหมดแล้วแล้วก็ ป <mister ius> ัญหามันเกิดขึ้นมันก็เบียดเบียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเหลือไว้แต่ความมืดอย่างเดียวนะนะก็คือเป็นไปตามอัธยาศัยดั้งเดิมที่ท่านใช้คำว่าอาสวะเนี่ยนะอาสวะเรียกกามาสวะก็ไหลต่อไปอย่างไงนะนะก็ทําให้ไม่เบื่อหน่ายในการทําสิ่งที่ซ้ํำซากไม่เบื่อหน่ายในการเกิดบ่อยๆไม่เบื่อหน่ายในการตายบ่อยๆไม่เบื่อหน่ายในการจุติปฏิสนธิบ่อยๆก็เลยเกิดบ่อยๆเพลิดเพลินไปบ่อยๆ เพราะว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเขามีหน้าที่คือเย็บเอาไว้อย่างเดียวเนี่ยนะเขเย็บคุณไม่ต้องไปไหนเราก็อยู่มันก็ดีแล้วนะเนี่ยนะสีก็ดีจักรคู่ก็ดีจักรคูวิญญาณก็ดีภาษาเวทนาดีหมดเลยเนี่ยนะหูก็ดีเสียงก็ดีโสตตวิญญาณก็ดียินดีเพลิดเพลินติดเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่งั้นไหมเป๊ะก็ขนาดว่าถ้าพูดถึงวัตถุภายนอกเนี่ยนะอีกไม่นานใบไม้มันก็ร่วงใช่ไหม เขาทั้งหลายที่ดูเขียวชอุ่มมันก็คงหมดไปนะตอนนี้ใบไม้มันก็เริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยๆไม่นานก็จะร่วงร่วงแบเหมือนกับเขาที่ต้นไม้ตายซากนะนะแล้วก็เล่ใหม่เรียกว่าขนาดภูเขาต้นไม้ใบหญ้ามันยังเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนะแล้วภายในมันจะไม่เปลี่ยนเลยหรือตาจะไม่เปลี่ยนหูจะไม่เปลี่ยนจมูกลิ้นกายใจไม่เปลี่ยนเลยหรือนะนะนก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปถึงเราจะเป็นมั่นใจแน่ใจว่าแหมมันคงเท่าเดิมมั้ง แต่ยังไงก็ไม่ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เหมือนเดิมอ่ะคือความไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมเนี่ยนะมันจะเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งนั้นจะไม่เหมือนเดิม